ฉันเข้าใจว่ารักของเราคงเป็นไปไม่ได้ต่อให้ทุ่มเททุกอย่างสักเท่าไรคงเปลี่ยนใจที่เธอมีไม่ได้เพราะเข้าใจว่าทั้งหัวใจของเธอไม่เข้าอยู่ ฉันเองก็ไม่อาจจะทดแทนมทบาทนั้นที่เธอมอบให้ไปให้กับเขาแค่ได้คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเหงาใจคอยห่หวงใยอยู่ตรงนี้ต่อไปก็พอแค่ขอฉันเป็นเพียง จำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ทอ้อรับบทที่ฉันเป็นแม่ไม่ดนสนใจแม่ไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจแค่ได้รักเธอ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 แค่คอยดูแลเป็นห่วงเธอในยามเธอเหงาใจคอย ห, ห่วงไยอยู่จรนี้ต่อไปก็พอ แค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่เพราะรลงที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็นมาไม่ร้อนสนใจมาไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็พอใจ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 ฉันเป็นม่ไม่ดอนสนใจมาไม่ดีเหมือนกับใครแต่ฉันเองก็อพอใจแค่ได้รักเธอ